วิธีสร้างอำนาจจิตตอนที่สามข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าถ้าเราต้องการความฉลาดรอบรู้เราจะบำรุงแต่เพียงร่างกายให้แข็งแรงโดยไม่เรียนหนังสือหรือฝึกฝนในทางวิชาการอย่างใดเลยนั้นเราก็ไม่มีทางจะฉลาดรอบรู้ขึ้นมาได้ทั้งนี้ก็เพราะสติปัญญาเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของสมอง ซึ่งเป็นวัตถุหรือรู ป, ปรธรรมและจิตใจก็เป็นนามรธรรมซึ่งก็ย่อมมีโครงสร้างของมันโดยเฉพาะฉะนั้นวิธีสร้างพลังจิตหรืออำนาจจิตนั้นจึงต้องอาศัยกรรมวิธีทางจิตเช่นเดียวกันการแสวงหาความรู้ซึ่งก็ย่อมจะต้องมีกรรมวิธีของแต่ละวิชาและอีกประการหนึ่ง ข้าพเจ้าได้พูดไว้แล้วว่าจิตยิ่งเป็นอิสระจากกายเนื้อมากเพียงไรพลังจิตก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าสื่อในการติดต่อระหว่างจิตของตนกับของคนอื่นนั้นไม่ใช่มีเฉพาะคําพูดตัวหนังสือและกิริยาอาการต่างๆที่แสดงออกเท่านั้น แต่ยังมีกระแสจิตที่ปรากฏออกมาในรูปของรังสีต่างๆซึ่งสามารถจะไปดนใจหรือไปบังคับจิตของคนอื่นได้อีกด้วยแต่รังสีที่ว่านี้โดยปกติจะมองไม่เห็นด้วยตาธรรมดาจะเห็นเฉพาะผู้ที่ได้ทิพยะจากสุเท่านั้นและรังสีนี้จะแผ่พุ่งไปไกลแค่ไหนอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับพลังสมาธิของคนคนนั้นซึ่งบางคนอาจไปไกลถึงขนาดขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ก็ได้ไปยังโลกอื่นหรือดาวนพเคราะห์ดวงอื่นนอกจากโลกนี้ก็ได้แต่โดยปกติแล้วคนเราทุกคนในระหว่างที่สนทนากันหรือพูดจาติดต่อกันโดยการเห็นตัวนั้น รงสีจะไปถึงบุคคลที่เราติดต่อด้วยเสมอแต่ก็อาจจะต่างกันตรงที่ของบางคนเข้มแต่ของบางคนเจือจางเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็มีด้วยกันทุกคนข้อแท้จริงต่างๆดังที่กล่าวมานี้โปรดศึกษาทำความเข้าใจให้ดีข้าพเจ้าจึงจำเป็นต้องย้ำเรื่องนี้อีก ก็เพราะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งถ้าหากไม่เข้าใจหัวข้อต่างๆดังที่กล่าวมานั้นแจมแจ้งแล้วก็เป็นการยากที่เข้าใจถึงเหตุผลต่างๆที่จะแนะนำต่อไปในเรื่องการฝึกเพื่อให้มีอำนาจจิตยิ่งๆขึ้นโดยปกติคนเรามักจะคิดกันอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราจะสามารถบังคับจิตของคนอื่น ให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนได้ทุกอย่างเราก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก็ยังไม่เคยปรากฏว่าใครสามารถบังคับจิตของคนอื่นได้ทุกอย่างแม้แต่พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาเจ้านายซึ่งคนเหล่านี้ อยู่ในฐานะที่จะบังคับคนของตนให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้แต่ถึงกระนั้นก็พบว่าลูกไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ก็มีไม่น้อยสิทธิที่ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็มีลูกน้องที่ไม่เชื่อไม่ทำตามผู้บังคับบัญชาก็มี แต่บางคนก็สามารถบังคับคนอื่นได้ดีก็มีทำไมจึงเป็นเช่นนี้ในกรณีอย่างนี้ขอให้ผู้อ่านอย่าไปพิจารณาแต่ในแง่คำพูดตัวหนังสือหรือกริยาอาการที่แสดงออกเท่านั้นอย่าลืมว่าจิตมีโครงสร้างเพราะฉะนั้นกลกายของสิ่งเหล่านี้ มันอยู่ในใจของแต่ละบุคคลและอย่าลืมนึกถึงรังสีของกระแสจิตที่มันแผ่ออกมาทุกครั้งในขณะที่เราพูดหรือแสดงกิรยาอาการออกมาและรังสีนี้ก็ย่อมมีผลต่อคนอื่นอย่างเดียวกับที่เราใช้คำพูดหรือกิริยาอาการเหมือนกันเพราะฉะนั้น สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นจะต้องสนใจศึกษาสิ่งเหล่านี้จนเข้าใจให้กระจ่างจริงๆการปฏิบัติจึงจะได้ผลก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อสังเกตไว้สักอย่างหนึ่งคือคนบางคนที่แสดงความจริงใจหรืออารมณ์อันใดออกมาอย่างแน่วแน่หนักแน่นเอาจริงเอาจัง หรือเอาเป็นเอาตายนั้นคนอื่นที่ได้เห็นหรือได้ยินมักจะเห็นด้วยหรือยินยอมตามที่คนอื่นนั้นต้องการเสมอซึ่งบางกรณีถึงกับล้มความตั้งใจเขาคนอื่นได้อย่างมหาศจรร์ราวกับถูกมนต์สะกดข้อเท็จจริงอันนี้เราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยว่าทาไมจึงเป็นเช่นนี้ จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ท่านผู้อ่านจะสังเกตเห็นได้ว่าอันการที่จะสร้างอนนานาจจิตให้กับตนเองนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความจริงใจคนที่ปากว่าอย่างหนึ่งใจคิดอีกอย่างหนึ่งคนประเภทนี้ไม่มีทางที่จะสร้างพลังจิตอันเข้มแข็งให้กับตนได้ ไม่ว่าจะได้ฝึกฝนวิธีอื่นมาแล้วมากมายเพียงไรเช่นฝึกสมาธิได้ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจจะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นได้คนที่ไม่มีความจริงใจถือสัตจะไม่ได้ก็คือคนที่ล้มเหลวตั้งแต่แรกแล้วตราบใดที่ยังแก้นิสัยนี้ไม่ได้ ก็ป่วยการเสียเวลาเปล่าๆที่จะไปฝึกฝนให้มีอำนาจจิตขอได้โปรดจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าในกรณีของคนที่มีอำนาจจิตสูงถึงขนาดห้ามเลือดได้หรือสมานแผลให้หายได้ทันทีโดยใช้เพียงมือกดหรือรูปไปมาเท่านั้นหรือใช้คาถาเป่าสมานกระดูกที่หักได้นั้น คนประเภทนี้จะมีลักษณะอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากคือมีความแน่ใจและมั่นใจในสิ่งที่ตนกระทำว่าจะต้องเป็นอย่างที่ตนอธิษฐานนั้นจริงๆจะมีความระแวงสงสัยแทรกอยู่แม้เพียงเล็กน้อยไม่ได้ต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ทั้งนี้หมายความว่าอำนาจจิตที่ฝึกขึ้นมาจากสมาธินั้น สูงพอที่จะทำการรักษาโรคนั้ น, น, นได้แล้วด้วยไม่ใช่จะมีแต่ความเชื่ออย่างเดียวความจริงใจที่ประกอบไปได้วยความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ปราศจากความระแวงสงสัยใดๆนี่คือหลักสาคัญอันแรกที่จะต้องสร้างให้มีขึ้นแต่การที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่น จะต้องมีความรู้จริงๆในสิ่งที่ตนพูดหรือแสดงออกคนที่รู้อะไรไม่จริงความแน่ใจย่อมไม่มีอันนี้เป็นของธรรมดาคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในการจูงใจหรือบังคับคนอื่นให้เชื่อให้ทำตามนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ชัดว่าหลักใหญ่ย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ แต่ก็อีกนั่นแหละคนบางคนทั้งที่มีความรู้ความสามารถแต่แล้วคนอื่นกลับไม่ค่อยจะเชื่อก็มีซึ่งผิดกับบางคนทั้งที่รู้น้อยกว่าประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรทางความรู้ด้อยกว่าแต่เวลาพูดอะไรหรือแสดงอะไรคนอื่นกับเชื่อถือมากกว่า บางคนสามารถถึงกับพูดดำให้คนอื่นเห็นเป็นขาวก็มีปรากฏการณ์อันนี้ขอได้โปรดสังเกตให้ดีคนที่สามารถพูดให้คนอื่นเชื่อดำเป็นขาวนั้นแม้เขาจะรู้ว่าเรื่องที่เขาพูดไม่จริงแต่ในขณะที่เขาพูดนั้นเขาเชื่อว่าเขาพูดจริงมีความมั่นใจมีความแน่วแน่เพราะอะไร ก็พราะเขายกตัวอย่างหรือเหตุผลที่เป็นจริงขึ้นมาอา้างสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องเท็จเขามีศิละปะในการพูดประติดประต่อเรื่องที่เป็นจริงและอําพรางเรื่องที่ไม่จริงเข้าไว้โดยที่คนฟังตามไม่ทันหรือไม่ได้สังเกตเพราะฉะนั้นจึงสามารถโน้มน้าวคนฟังให้เชื่อถือได้แต่อย่างไรก็ดี วิธีนี้เอาชนะได้เฉพาะคนที่โง่ ก, กว่าเท่านั้นและในเวลาเดียวกันเขาก็จะเสียเครดิตคือขาดความเชื่อถือในหมู่คนที่เขาฉลาดกว่าหรือรู้ทันฉะนั้นวิธีนี้จึงได้ผลเพียงชั่วคราวขอได้โปรดสังเกตว่าพระซึ่งโดยปกติพูดอะไรคนทั้งหลายมักเชื่อนั้น ก็เพราะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าพระเป็นผู้มีศีลฉะนั้นแม้ในกลุ่มของขรารวาสก็เหมือนกันถ้าคนไหนถือศีลได้จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วคนประเภทนี้ก็จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นในอันที่จะพูดชักจูงหรือแนะนำอะไรขอให้เนืกถึงหลักในเรื่องเวสารัชกาณธาธรรม ที่ได้อ้างมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่จะมีความกล้าหาญได้จริงๆนั้นจะต้องมีคุณธรรมห้าอย่างคือศรัทธาศีลพาหุสัจจะวิริยารัมภะปัญญาขอได้โปรดศึกษาหัวข้อเหล่านี้โดยละเอียดและก็ได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าคนที่กล้าหาญก็คือคนที่มีอำนาจจิตเหนือคนอื่น คนที่ไม่กลัวผีก็คือคนที่มีอำนาจจิตเหนือผีคนที่พูดในที่ประชุมไม่ประมาท ก, ก็เพราะมีความกล้ามีอำนาจจิตเหนือคนฟังทำไมเราจึงมีความกล้ามีอำนาจจิตเหนือคนอื่นก็จงลองพิจารณาเปรียบเทียบหลักที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในตอนต้นกับหลักในเรื่องเวสาราชการณธรรมอีกสักครั้ง แล้วท่านก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งว่าการที่เราจะสร้างอํานาจจิตให้เกิดขึ้นในตัวเรานั้นควรจะทําอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนว่าหนึ่งเราต้องมีศรัทธาคือความเชื่อสองเราต้องมีศีลสเราต้องมีพาหุสัจจะคือความรอบรู้หรือรู้มากส เราต้องมีวิริยารัมภาคือต้องเป็นคนมีนิสัยขยันพูดขยัน ร, รมไม่เกียจคร้านหเราต้องมีปัญญาคือรู้อะไรต้องรู้จริงๆรู้อย่างแจ่มชัดเจนข้อนี้ต่างกับพาหุสัจจาเพราะพาหุสัจจาหมายถึงรู้อะไรหลายอย่างมีความรู้รอบตัว แต่อาจจะไม่รู้จริงๆในสิ่งที่ตนรู้มาคนที่จะมีความกล้ามีอำนาจจิตเหนือคนอื่นนานท่านเห็นแล้วหรือยังว่าจะต้องสร้างคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนซึ่งแต่ละข้อมีมากเพียงไรอำนาจจิตของตนก็จะมีมากเพียงนั้นแต่อย่างไรก็ดี หลักธรรมทั้งห้าข้อนี้เป็นเพียงธรรมะหมวดหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เห็นเป็นบางแง่ว่าคนที่มีความกล้านั้นโดยปกติเขามีคุณธรรมอย่างไรบ้างซึ่งแท้ที่จริงแล้วการที่จะฝึกฝนให้มีอำนาจจิตจริงๆนั้นจะต้องมีคุณธรรมอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งในธรรมะหมวดนี้ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสถึงแต่ตรัสไว้ในธรรมะหมวดอื่นเช่นตรัสว่าถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาซึ่งผลใดๆผลนั้นจะได้ด้วยบุญที่สะสมเอาไว้เช่นการมีผิวพรรณงามมีเสียงไพเราะสวดทรงดีรูปสวยมีความเป็นใหญ่การมีบริวาร ทั้งหมดนี้จะได้ก็ด้วยบุญที่สะสมเอาไว้ซึ่งข้อความที่กล่าวมานี้แปลมาจากบาลีพุทธพจน์ในนิธิกันทสูตรซึ่งมีว่ายังยางเทวาพิปัติเห็นติสัพพเมเตณลัพติสุวรรณตาสุสะรตาสุสันธานังสุรูปตาอธิปจังปริวาร สัพพเมเตนะลพติขอให้สังเกตคำว่าอาธิปั จ, จังซึ่งแปลว่าความเป็นใหญ่ปริวารปแปลว่าการมีบริวารคนที่จะได้เป็นใหญ่มีอำนาจเหนือคนอื่นพร้อมกับมีบริวารคือมีคนคอยรับใช้เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งเป็นจำนวนมากน้อยเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับบุญบารมีของคนคนนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วแต่คนส่วนมากไม่รู้รายละเอียดว่าที่ว่ามีบุญบารมีนั้นหมายความว่าอย่างไรและการที่ใครจะได้เป็นใหญ่มีบริวารมากก็ต้องหมายความว่าเขาต้องมีอำนาจจิตเหนือคนอื่น จึงทำให้คนอื่นเคารพนับถือเชื่อฟังยินดีปฏิบัติตามคำสั่งอย่าไปคิดแต่ในแง่ว่าเพราะเขาอยู่ในฐานะเป็นนายเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจึงสั่งให้คนอื่นทำตามได้อันนี้เป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะโดยข้อเท็จจริง ลูกน้องที่ไม่ค่อยยินดีปฏิบัติตามคำสั่งของนายไม่เคารพนับถือไม่เกรงกลัวนายก็มีอยู่เหมือนกันทำไมจึงเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจถึงเบื้องหลังของความเป็นมาอันหนึ่งความเป็นใหญ่การมีบริวารสิ่งเหล่านี้จะได้ก็โดยบุญที่สะสมเอาไวน้นาน ขอได้โปรดพิจารณาให้ละเอียดเพราะคำว่าบุญในความหมายของพระพุทธศาสนาจริงๆนั้นหมายถึงบุญบารมีสิบอย่างคือทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาคุณธรรมทั้งสิบอย่างนี้เรียกว่าบารมีสิบ และที่กล่าวว่าด้วยบุญที่สะสมเอาไว้นั้นก็หมายความว่าจะต้องเคยบำเพ็ญบารมีเหล่านี้มาแล้วในอดีตไม่ใช่เพิ่งจะมาทำในปัจจุบันและถ้าหากผู้ใดเคยบำเพ็ญบารมีเหล่านี้มาแล้วก็ย่อมจะต้องมีวุฒิสัยใจคอพร้อมทั้งบุคลิกลักษณะทางร่างกาย และน้ำเสียงท่วงทีทางวาจาปรากฏเป็นที่เคารพยำเกรงเป็นที่รักใคร่นับถือต่อผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีทุนมาตั้งแต่เกิดหรือไม่ได้มีมาโดยสันดานแล้วก็ยากที่จะมาฝึกฝนให้เกิดในปัจจุบันได้นอกจากนี้เรื่องโชคชะตาวาสนาหรือดวงของคนเรา ก็ขึ้นอยู่กับบุญบรารมีเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของดวงดาวอย่างที่เข้าใจกันในทางโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงวิธีการสร้างอำนาจจิตในความหมายที่แท้จริงจึงหมายถึงการสร้างจิตให้มีพลังด้วยคุณธรรมต่างๆดังที่กล่าวมา คนที่ไม่เข้าใจถึงความเป็นมาของอำนาจจิตจริงๆนั้นมักจะเข้าใจว่าใครๆก็สามารถจะฝึกให้มีขึ้นมาได้แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่จะฝึกขึ้นมาได้จริงๆนั้นมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากทั้งนี้มันก็เหมือนกับคนที่เรียนวิชาการชั้นสูงไม่ว่าในขแขนงใด คนที่จะข้าวขึ้นไปถึงชั้นสูงได้จริงๆนั้นมีเปอร์เซ็นต์น้อยยิ่งในเรื่องการสร้างอำนาจจิต ด, ด้วยแล้วยิ่งยากกว่าการศึกษาในทางวิชาการหลายเท่าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ยกเอาเรื่องบุญบรารมีมาที่บ่ายให้เข้าใจถึงพื้นฐานก่อนคนที่มีชื่อเสียงปรากฏในประวัติศาสตร์ ว่าเป็นคนที่มีอำนาจจิตเข้มแข็งมากเช่นนาโปรเลียนรัสปูตีนอย่างนี้เป็นต้นบุคคลเหล่านี้ถ้าได้ศึกษาเรื่องอุปนิสัยใจคอและบุคลิกลักษณะของเข้ามาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็จะพบข้อเท็จจริงว่าคนเหล่านี้มีลักษณะพิเศษบางอย่างไม่เหมือนคนทั่วๆไปเช่น เป็นคนกล้าหาญมากเป็นคนทำอะไรทำจริงลักษณะของน้ำเสียงสายตาสิ่งเหล่านี้สอให้เห็นแววมาตั้งแต่เล็ ก, ลกแล้วว่าเป็นคนที่มีอำนาจจิตเข้มแข็งข้อเท็จจริงต่างๆในทำนองนี้โปรดอย่ามองข้ามการฝึกเพื่อให้มีอำนาจจิตจำเป็นต้องใช้เวลาอบรมสะสมกันมาหลายชาติ ฉะนั้นสำหรับคนที่มีพื้นฐานในทางนี้มาดีแล้วตั้งแต่เล็กๆจึงเป็นการง่ายที่จะฝึกให้มีขึ้นจนถึงขั้นที่สามารถมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นหรือเหนือเหตุการณ์ต่างๆได้จริงแต่อย่างไรก็ดีการฝึกเพื่อให้มีอำนาจจิตนั้นอาจจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ ซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นพ่อมดหมอผีเจ้าคาถาอาคมซึ่งใช้อำนาจจิตไปในทางชั่วหรือในทางเบียดเบียนคนอื่นแต่สำหรับเรื่องที่ขพเจ้าบรรยายไว้ในที่นี้เป็นเรื่องที่เป็นไปแต่ในทางที่ดีโดยเฉพาะซึ่งจะมีผลยั่งยืนตลอดไปเพราะฉะนั้น จึงได้พูดถึงเรื่องการสร้างบุญบารมีและชี้ให้เห็นว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางแน่นอนที่จะสร้างอำนาจจิตให้สูงขึ้นโดยลำดับและมีผลแต่ในทางที่ดีผู้ที่ฝึกมาในวิธีนี้จะนำไปใช้ในทางชั่วไม่ได้เพราะถ้าขืนใช้อำนาจจิตก็เสื่อม